14กถินัทธารวักหมวดว่าด้วยการกรานกถินอนิสงกรานกาถินรหกสิบห้าท่านพระอุบาลีทูลถามว่าการกรานกถินมีอนิสง์เท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีการกรานกถินมีอนิสงห้าอย่างนี้คือ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 โทษของการนอนลืมสติ466ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าบุคคลผู้นอนหลับลืมสติไม่รู้ตัวมีโทษเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีบุคคลผู้นอนลืมสติไม่รู้ตัวมีโทษห้าอย่างนี้คือ 1. หลับเป็นทุกข์ 2. ตื่นเป็นทุกข์ 3. เห็นความฝันเลวซาม 4. เทวดาไม่รักษา 5. น้ำอสุจิเคลื่อนอุบาลีบุคคลผู้นอนหลับลืมสติไม่รู้ตัวมีโทษห้าอย่างนี้แหละอา น, นิสง์ของการนอนมีสติอุบาลี บุคคลผู้นอนหลับมีสติรู้สึกตัวมีอานิสงห้าอย่างนี้คือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่เห็นความฝันเลวสาม 4. เทวดารักษา 5. น้ำอสุจิไม่เคลื่อนอุบาลีบุคคลผู้นอนหลับมีสติรู้สึกตัว มีอาณิสง์ห้าอย่างนี้แลบุคคลไม่ควรไหว่ส้หท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุที่ไม่ควรไหว้มีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุที่ไม่ควรไ ห, ไร ห, รรรหรว้วหนี้มีห้าจำพวกคือหนึ่งไม่ควรไหว้ภิกษุ ผู้เข้าไปสู่ละแวกบ้าน 2. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้เข้าไปสู่ถนน 3. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อยู่ในที่มืด 4. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ไม่ได้สนใจ 5. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้หลับอยู่อุบาลีภิกษุห้าจำพวกนี้แลที่ไม่ควรไหว้อุบาลี ภิกษุที่ไม่ควรไหว้แม้อื่นอีกห้าจำพวกคือ 1. ไม่ควรไหว้ภิกษุในเวลาที่ดื่มยาคู 2. ไม่ควรไหว้ภิกษุในโรงพัฒสาไม่ควรไหว้ภิกษุผู้เป็นศัตรู 4. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กำลังคิดเรื่องอื่น 5. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กำลังเปลือยกาย อุบาลีพิกสุห้าจำพวกนี้แหลที่ไม่ควรไหวอุบาลรีพิกสุที่ไม่ควรไห ว, ไม ว, ไวแม้อื่นอีกห้าจำพวกคือ 1. ไม่ควรไหวพิกสุผู้กำลังเคี้ยวอยู่ 2. ไม่ควรไหวพิกสุผู้กำลังฉันอยู่ 3. ไม่ควรไหวพิกสุผู้กำลังถ่ายอุจจาระ 4. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กำลังถ่ายปัสสาวะห้าไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ถูกสงยกวัดอุบาลีภิกษุห้าจำพวกนี้แลที่ไม่ควรไหว้อุบาลีบุคคลที่ไม่ควรไหว้แม้อื่นอีกห้าจำพวกคือ 1. ผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ผู้อุปสมบททีหลัง 2. ไม่ควรไหวอนุปสมบัติสมไม่ควรไหวภิกษุนานาสังวาสมีพรรษาแก่กว่าเป็นอธรรมวาทีสไม่ควรไหวมาตุคาม 5. ไม่ควรไหวบันดออุบาลีบุคคลห้าจำพวกนี้แลที่ไม่ควรไหวอุบาลี ภิกษุที่ไม่ควรไหว้แม้อื่นอีกจําจำพวกคือ 1. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กําลังอยู่ปริวาส 2. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิม 3. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรแก่มานัต 4. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กําลังประพฤติมานัต 5. ไม่ควรไหว้ภิกษุ ควรแก่อภานอุบาลีภิกษุห้าจำพวกนี้แลที่ไม่ควรไหว้บุคคลควรไหว้สหสิท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุที่ควรไหว้มีเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคกรัดว่าอุบาลี ภิกษุที่ควรไหว้นี้มีห้าจำพวกคือ 1. ผู้อุปสมบทหลังควรไหว้ผู้อุปสมบทก่อน 2. ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้มีพรรษาแก่กว่าเป็นธรรมวาทีสามควรไหว้พระอาจารย์ 4. ควรไหว้พระอุปชาห้าควรไหว้พระตถาคต ผู้เป็นพระอราหันต์ตรัส ร, รู้เองโดยชอบในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมเทวดาและมนุษย์อุบาลรีภิกษุห้าจำพวกนี้แลที่ควรไหว้ข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อ่อนกว่า469 ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้อ่อนกว่าเมื่อไหว้เท้าของภิกษุผู้แกกว่าควรตั้งธรรมเท่าไรไว้ในตนแล้วจึงไหว้เท้าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุผู้อ่อนกว่าเมื่อไหว้เท้าของภิกษุผู้แกกว่าควรตั้งธรรมห้ายอย่างไว้ในตนแล้วจึงไหว้เท้า ทำห้อย่างคืออุบาลีภิกษุผู้อ่อนกว่าเมื่อไหว้เท้าของภิกษุผู้แก่กว่า 1. ควรห่มผ้าเฉวียงบ่า 2. ประคองอัญชลี 3. นวดเท้าด้วยฝ่ามือทั้งสอง 4. มีความรัก 5. มีความเคารพแล้วจึงไหว้เท้าอุบาลี ภิกษุผู้อ่อนกว่าเมื่อไหว้เท้าของภิกษุผู้แก่กว่าควรตั้งทำห้าอย่างนี้แลไว้ในตนแล้วจึงไหว้เท้ากัินัตถาระวักที่ส4จบหัวข้อประจําวักการกรานกฐินการหลับเป็นสุขไม่ควรไหว้ภิกษุผู้เข้าสู่ละแวกบ้านดื่มยาคูเขี้ยว อุปสมบทก่อนอยู่ปริวาสบุคคลควรไหว้ภิกษุอ่อนกว่าไหว้ภิกษุแก่กว่าอุปาลิปัญจกะจบหัวข้อบอกวักอานิสิตวรกกรมมวักโวหารวักทิฏฐาวิกรรมวรกโจธนาวักทุดงคะวักมุสาวาทวรัก พิกุโนวาทวัคอุพาหิกวัตกธิกรณวบูปสัมภวัตสังคเพทกวั์สังคเพ ท, ทะห้าอย่างเหมือนก่อนอาวาสิกวัตกถินัทธารวัตรรวมสิบสี่วัท่านประกาศไว้ดีแล้วแล